มงคลชีวิตมงคลที่36จิตไม่เศร้าโศกอโศกังเอตามังคลมุตตะมังการที่จิตไร้ความโศก เพราะถอนกิเลสต้นเหตุแห่งความโศกเสียได้จึงชื่อว่าจิตไม่เศร้าโศกสภาพจิตไม่เศร้าโศกเป็นลักษณะของพูดถึงธรรมจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นคุณลักษณะจิตของพระอรหันต์เป็นจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์ เป็นจิตที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากความปราศจากราคะโทสะและโมหะด้านหนึ่งของความหลุดพ้นแสดงออกในลักษณะไม่ติดในกามไม่ติดในบุญบาปไม่ติดในอารมณ์ต่างๆอันจะเป็นเหตุให้ต้องรำลึกความหลังและหวังอนาคตดังที่ตรัสว่าพูดถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ฝันเพอ้อถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพัธุ์ของท่านจึงผ่องใสส่วนชนผู้อ่อนปัญญาทั้งหลายเฝ้าแต่ฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงไปแล้วจึงสูบซีดมนมอง เสมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนทิ้งไว้กลางแสงแดดปุถุชนก็มีจิตไม่เศร้าโศกได้สำหรับปุถุชนก็สามารถทำจิตไม่ให้เศร้าโศกได้ด้วยการระลึกถึงพระโอวาทที่ทรงแสดงโทษของการและความโกรธเป็นต้นหรือปฏิบัติตามพระโอวาท ด้วยข้อปฏิบัติคือการเจริญสมาธิและปัญญาก็ย่อมป้องกันหรือกำจัดความโศกได้เป็นครั้งครั้งไปแต่หากเผลอสติเมื่อใดก็เศร้าโศกได้เพราะยังไม่ได้ละกิเลสให้สิ้นเชิงจิตไม่เศร้าหมองจัดเป็นมงคลเพราะ 1. นึทำให้มีจิตมั่นคงดุดเสาระเนียด 2. เป็นผู้สูงสุดเหนือกว่าผู้ยังมีกิเลสทั้งหลาย 3. เป็นผู้หมดความเกิดเพราะกิเลสเหตุให้เกิดถูกละทำลาย 4. เป็นที่เคารพสการะนับถือบูชาของเหล่าเทวดาและมวลมนุษย์